อสุภกรรมฐานนี่มีสิบอย่างว่าอสุภไี่แปลว่าไม่สวยไม่งามนี่มาวานี่เราเลี้ยงเรื่องกับสินจบไปสำหรับสาหรับอสุภกรมมฐานนี่เป็นเรื่องของการตัดความสวยคว า, ามงามที่เป็นเรื่องของสมณะปฏิบัติเพราะว่าโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรสวย นี่สำหรับอสุปกรรมฐานทั้งสิบอย่างนี้มีไว้สําหรับแก่ราคะจริตตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้นะถ้าราคะจริตคือจิตที่เห็นว่าอะไรสวยอะไรงานเกิดขึ้นก็ต้องใช้อสุปกรณ์ฌานเข้าไปเจรินาเป็นการต่อตา้านนี่สำหรับอุปกรรมฌานมีหมดกันสิบอย่างต้นว่าอะไรบ้างผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ว่าจำไม่ได้ได้เดิมากมาเลยใช้เรียอองแบบเพราะมันใช่วงกันไปสิบ อ, อย่างก็ที่หนึ่งฉัเรียกว่าอุมาาา้มมาตกาอสุขเป็นหมายความว่าร่างกายของคนละกาที่ตายไปแล้วนับตั้งแต่ตายไปเป็นต้นมีร่างกายวูบขึ้นสิึงทองนิลหลกที่เรียกว่าผีตายขึ้น่นนี่เป็นลักษณะของการผีตายแับหนึ่งนะ แล้วก่อนดักที่สอง ม, มีรักษาสุอันนี้มีสีเขียวว่าตายร่วมเป็นแรกจะมีสีเขียวซึ้นไม่อย่างเลยความแจ๋วสกขแน่ที่ใบายิบได้เอากามมีปกพราสุขเป็นเศร้าศทีมีดงเหลืองไหลเป็นปกติสี่ที่จิตตะตาสุเป็นเร้าศรีมีร่างตายขาดเป็นพรอมเป็นตอนแล้วก็ห้า วิภายิกาตะอกุเป็น่างกายของ้าศพที่โผล่ตัดยอะแยทีเราก็เหมือนกันเนมะื่อตายแล้วมันหาดีไม่ได้หกที่าระอกเป็นเจ้าศพที่โผ่อโผ่ทิ้งไล่กันส่วนต่างๆแล้วก็มีส่วนต่างๆกระจายไปยังมีแขนมีขามีหัวขาดติดไปจนต้นเจ็ดพระตะวิจาระอสุเป็นเจ้าศพ ท, ที่โผตับตันเป็นทนอดหยดตอน อันเมื่อกี่นี้หมายความว่าทันขาดไปเองอันนี้ก็กลับัปเรื่องข้อมิตรตอนแปดโนหิตอาการอาสุกเจ้าศพที่มีเลือนไหลออเป็นปกติเก้าพิภพอกาอสสาสุกเป็นเจ้าศพที่เต็มไม่้วยน้อนคลานจรงอยู่สิบอาการอสสาสุกเป็นเจ้าศที่มีแต่กระดูกดอีปกรณ์จริงไม่มีอะไร การเรียนขั้นบันปลายตาเรื่อ ง, งสำคัญคืพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเรียงนมาอย่างนี้แล้วก็ทำพระพุทธโฆษาจารย์การเรียงมีทีปฏิบัติกันไว้ในตอนต้นทีเดียวถ้าในขุนไปด้วยจะถึง ก, ก่อนท่นนี้พ่อใหญ่ผูอว่าจะถึงเป็นกรรมฐานหยาบมีเคยเผื่อใครก็ถามแล้วก็จะได้บอกคนได้ ว่าทำไมการเจริญรัตกรรมฐานอนพระพุทโกสาจารย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านสตรีสมิธายานจัดแหวกเป็นอรหันต์ชั้นพิเศษเวลายสอนให้พระหรือว่านักปฏิบัติเจริญรัตกรรมฐานเ่อวงมุงมกักผลทำไมยังไม่สอนอสุภกรรมฐานก่อนเพราะว่าส่วนมากคนทั้งหลายถึงความสวยความงามเป็นสำคัญ ติดเจอเรื่องความสวยสดงดงามอันนี้เราก็พยายาตอบ็ขาบอกว่ากรมรมฐานอย่างอื่นเป็นกรมรมฐานละเอียดเป็นกรมรมฐานที่จับให้เกิดขึ้นเป็นชานหลายอยากคาว่าเป็นชานก็มีอาการสองตัวอันนี้ก็มีสายไฟหลักเองไปสเสิียหน่ สำหรับ ก, กสิ น, ए, ني, น, ส य, น ए, य, เป็นกรรมฐานยากทำฌานให้เกิดง่ายกรรมฐานอื่นาจากรสินมันเป็นกรรมฐานละเอียดส่วนใหญ่เป็นกรรมฐานาหรับพิจารนามากกว่าในตัวละเอียดจับยากดันั้นในฐานะที่ครูบิคนที่ด่านมลายรรมศาในพระพุทธศาสนา่จิตใจนี่งสอบอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่วิตทรงในอารมณ์สมาธิ ประจำเป็นจะต้องใช้ของหยาบไปเครื่องดูก่อนในกระสินเนี่ยเป็นกรรมฐานหยาบก็ไม่มีนิสิตเครื่องดูในเมื่อเจริญกระสินโดยเฉพาะอย่างนี้กระสินหกอย่างที่บอกว่าเป็นกระสินกลางถ้าเราไม่รู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงก็ตั้งจิตไปในในกระสินกลางก่อนว่าตั้งอารมณ์ไปในกระสินกลางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ชาจิตก็เป็นชา ก็คำว่ากระสินกลางนั่นก็มาถ่ายกลางนี่ก็ไม่เรืองจริงนี่ถ้าจิตตั้งอารมณ์ในฌานแล้วต่อมาท่านสอนแนะนำว่าท่านแนะนำที่เรียกพระพุตธโภชฌาย์แนะนําให้เรียงลมมาเจอในอัศวกตจมาานเพราะว่าจะได้เอากำลังของกระสินนั่นมาใช้ในอด้ของอัศวคตจามาฌาน จะได้มาเอากำลังไม่ใช้เพราะว่าตอนที่คิดจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ใช้ฌานในการสิ้นเสียก่นกอนือเข้าฌานในการสิน้นจนกรั่งถึงฌานสีเมื่อจงอารมณ์ถึงฌานสี่แล้วก็ถอยหลังถอยหลังจิตถอยจิตลงมาถึงถูอุปจาระสมาธิ <c oughs> ใ้อุปจาระสมาธินี่ก็คือจิตที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับฌาน แต่ว่าถ้าถึงฌานแท้จริงแล้วจิตมันใ่คิดมันสองสตัวสาหรับอุปจาระสมาธิเนี่ยมันเฉียดชายแล้วก็เฉียดฌานย้วมีอารมณ์คิดอยู่นี่ถ้าปล่อยเลยลงมาโไไดยดายเพราะจิตไม่ตั้งเปสมาธิจะไม่มีผลจะต้องตั้งอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิตอนนี้อุปจาระสมาธิถ้าเราไม่สามสามรถจะรู้กาลังจิตมันอยู่แค่ไหน อ้าจิตของเราเข้าสูสาามมา่ทรงฌานแล้วปลดฌานลงมาจิตยังทรงสมาธิอยู่บ้างแต่มีอารมณ์คิดอารมณ์คิดเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เยียวเกลนกังมีอารมณ์สุขขุมอยู่ในขอบเขตอันนี้เป็นอุปจารสมาธิถ้าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วก็เ อ, อาจิตดวงนั้นติดตั้งในอุปจารสมาธิมาพิจารณาสต คือความจริงท่านเรียงไว้สิบอย่างเนี่ยเวลาเรียนจริงๆก็ไม่จำเป็นคุณจะเรียงจะเป็นนะไอแ้แท่คนตายเหมือนกันใไงมันตายวันหนึ่งสองวัน3าวันขึ้นเอือขึ้นคลองน้ำเหลืองไหลไอแช่นะั้นที่บอกว่าแค่นั้นก็กพร อ, อะไรพรว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ยังมีรมปรานอยู่เรามีความรักกันได้ มีความราตนาในการ赖กันได้แต่คนที่รักจริงรักที่สุดพอตายขาดลมปราณนิดเดียวเวลาผ่านไปบางทีไม่ถึงวันบางคราวก่สักวันหรือสองวันคนที่รักกันเกือบจะเกินจริงลงไปไม่เข้าเลยครับใกล้ๆก็ไม่ได้แล้วง่ายหมดไอ้ส่วนนี้เราเห็นว่าดีแตมันหมดไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้าวขึ้นลมให้ใจเข้าออก ก็มีสภาพเป็นคนตายอันนี้เขาเรียกกระสบก็เป็นเศร้าจบก็ เ, เกิดอาการรังเกียดจนั้นได้ทีเดียวเราเริ่มลังเกียจจตั้งใจที่จะขึ้งลงลนลมเมื่อขึ้นลมปาณใหม่ๆ <c oughs> ก็ขาดลมให้ใจอาการอุบัติเพราร่างกายก็หมดไปตอนนี้เราเริ่มมาอยากจับตัวแล้วหลังจากนั้นไปสักวันหนึ่งหรือสองวันขึ้นเอือเชียวมีกลิ่นหน่อยๆที่ความลังเกียจก็เกิดใหญ่ ต่อจากนั้นไปจะขึ้นอื่นเต็มที่มีน้ำเหลืองไหลบา่าขาดเป็นพ่อนเป็นตอนบา่าเราเอากันแค่นี้ก็แล้วกันตอนขึ้นเป็นน้ําเหลืองไหลไหลาทางปา ก, ท, ากปาทั้งตัวตัวกบฏมีไหลีไปทา้งตัวกลิ่นเห่งครงุ้งตอนนี้ความต้องการของไข่ไม่เลิกจะมีกระพาะนอนพวกสัตว์เป็นั้นต้องการเป็นอาหารเข้ามา นี่ที่องค์สมเด็จพระบิดาจัมมานบรมาสซาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ญญ า, ญญาแนะนำให้บรรดาคุณระบุคุ ณ, ธ, คณธิดาทั้งหลายที่มีความต้องการความสุขที่ผมบอกว่าต้องการความสุขราะว่าถ้าบุนคคลใดเคารพยอมรับนับถือกฎพื้ความจริงคนนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ต้องการความสุข ถาหากว่าจิตของเรายังไม่ยอมรับรับถือกฎของความเป็นจริงก็จะเชื่อว่าเราต้องการความสุขไม่ได้ก็อะไรพวกเราต้องการความหลอกลวงกรณีร่างกายของคนที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิ่เจรณาแล้วสุตตะมัชฐานนี่สิบอย่างจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่เราต้องกา ร, จา ก, กราจากพิจารณาจะพักกระดูกที่จะว่าอภิกรรมปฏิปลัง จะพกก ร, กดกกราาะกดกกราากกูกก็ได้จะพิจารณาสร้าศพที่แห้งแล้วก็ได้จะพิจารณาสร้าศพที่กําลังขึ้นตัวจุดก็ได้ตามปฏิยาสจะเป็นศพประเภทไหนก็ตามท่านให้มองดูว่าร่างกายของคนนี้มาเวลาสิ้นลุมปรางแล้วมันสะอาดตรงไหมคาว่าสุขไม่แปลว่าไม่สะอาดอาสุขะอาสาบรี ก็หาความจะอาดไปได้แล้วก็ศพที่ตายแล้วมันจะอาดไหมทั้งคนจริงจะน้ําเหลืองไหลเข้าไปประคองได้ไหมน่าจะจะได้เพราะต้อนท า, าแผ ม, มันจา้างมาแผลหน่อยนะที่เทนี้ไม่จะยอมเสียทัศน์ตังประคองนะต้องจากก้างประคองนี่ได้ดูไว้ร่างกายของคนที่ตายไปแล้วที่มีน้ําเหลืองไหลออกมาตัวดี <c oughs> มีเลือดเสลสลทำลายไหลอยกมาก็ดีมีสิง่งส่งอะไรเหม็นขลุ่มออกมาก็ตามทีให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนน่าเล่กันดูเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน้ำเหลืองก็ดีน้าเลือดก็ดีสิ่งหม็นก็ดีการเนาา่าเฟะของร่างกายก็ดีที่เราไม่ชอบสิ่งท้งหลายเหล่านี้มันมีตัง้งแต่มีชีวิตอยู่ หรือว่ามันเพิ่งยังมีเมื่อเราตายแล้วหึือแม้บางคนนันก็ตายแล้วแคนี้เขาว่าแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของสุพเมื่อญาติของเราตายแล้วแล้วมันนาไปใส่โรงใส่หีบคิดศพก็วันหนึ่งฝาถุงแน่นเพตั้งสี่ห้าวันแล้วหกวันก็นกจะเปิดอยู่จะปลากับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นมันมี ตอนนี้เราก็จะพิจารณาได้ว่านี่ใครก็ามาส่งให้ที่ไงความเน่าความเป็นเนี่ยแล้วก็มีขึ้นมาในกายเราเอนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงให้พิจารณาอย่างนี้ก็เพราะว่าทรงทรงให้ทราบว่าความจริงจริงทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาเมื่อเราตายแล้วความจริงมันมีอยู่ในร่างกายเราทั้งหมดจริงแค่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วมันเหลืองก็ดีเราไม่ชอบ กลิ่นเหม้นกดีเราไม่ชอบแล้วเลือดที่มันทะลักมาเทาสจูกางจมูกทางปากก็ตามที่เราไม่ชอบ <c oughs> อาการเล่าเละของด่างกายที่ปลายพอจะเป็นเนื้ อ, อยุ่ยไปอันนี้เราไม่ชอบ <c oughs> ความจริงิๆที่เราไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราเป็นปกติแม้แต่ร่างกายของบุคคนอื่นก็หมือกันแต่ถ้าว่าในวันก่อนๆในเวลาก่อนในี้ทำไมเราถึงจะไม่เห็น <c oughs> ทำไมเราจริงๆไม่เห็นสภาพอย่างนี้ก็เพราะว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ตัวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟห้เจ้าธาตุทั้งสี่ธาตุนี้ถ้ามันยังสามารถขี่ยังเที่ยงได้ร่างกายก็ยังทรงศรัวธาเป็นปกติถ้าอะไรธาตุดินมีความเข้มแข็งธาตุน้ําทําให้ดินเหลว แในเมื่อธาตุสองสองธาตุมาผสมเป็ น, าาป น, ปนข้าวความเข้งแข็งของดินมันก็แขงอยู่ไม่ได้แต่ว่าอาศัยธาตุไฟเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเวลาธาตุไฟไปธาตุก๊าซช่วยทางน้ําแลบดินให้ทรงตัวอยู่ได้ <c oughs> รอยจะดินกับไฟมาผสมกันดินมันก็เล็กมันทรงตัวไม่ได้นี่ไฟก็มาช่วยความอบ อ, อุ่นให้เกิดขึ้นให้ทรงกายไว้ตัดีน้ํากับ ดิน ม, มีกำลังพอต่อต้านกันได้แล้วก็มีธาตุลมกลืนเข้าไว้เป็นนัยว่าธาตุทั้งสี่นี้้าตยังสามาคถีกันอยู่เคียงได้ <c oughs> ร่างกายของเราก็เป็นร่างกายปกติที่เรายังเม่เหความเน่าความสวยอั น, นี้เวลาที่เราตายแล้วธาตุลมขาดก็บอกว่าคนจะตายหรือสัตวตายเพาอาศัยอะไรจะ จ, ะจิตใจนี่มันเป็นเรื่องของเขา ถ้าสำหรับเรื่องของเราเราก็คิดอเอาเพียงว่าถ้าเราไม่มีลมให้ใจเมรัมันก็ตายแค่ น, นั้นเมื่อท่านลมหายไปภาพไปก็ไปด้วยเราจะเห็นว่าพอสิ้นลมปราณเมไรไยร่างกายของคุณตายก็มีกระฟังอยู่ไม่มีความอบอุ่นตอนนี้เหลือแต่เพียงคาดน้ำและธาตุดินดิน <c oughs> มันมีความเข้มแข็งจริงแต่ว่ามันแข็ง ถ้าสูบน้ำบรรายนะ่ะเข้ามันก็ไปมันก็ทนไม่ไหว น, นเมื่อมันทนไม่ไหว้็เกิด อ, อาการเลยมีความเน่กากับปลากรดไม่มีความร้อนออกมาแระคับอองเป็นอันว่าส่วนทุกส่วนในร่างกายนี่ปลากรดออกมาหมดที่ที่เก็บไว้ด้วยนั้นธาตุดินและธาตุไฟที่เราฟองไว้ในตอนต้น <c oughs> นี่ธาตุดินเหลือแต่ผู้เดียวไม่มีธาตุไฟก็ช่วยก็แย่ ร่างกายหมดหาความดีไม่ได้ชิวพันธนี้เคย่องใสลนลายไปเสียแล้วอันดับแรกสีสิวเริ่มเขียวบ้างแดงบ้างนักท่านแลวเข้ามาเกิดอาการคองเ็าอะไรเพราะดินอยู่ด้วยการสุกน้ำใ้ธาตุดินที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายอาศัยน้ำเป็นเครื่องประับประครองอาศัยธาตุไฟแป้วเคื่อเป็ น, เ, เ, ปนเป็นตัวกลางยังาําองค์ในสายก ตอนนั้นกเหมือนกับของที่เราเอาของที่ไปตั้งไว้ในส่วนร้อนๆเอาเนื้อสับไปตั้งไว้กับไฟมันก็จะไม่ปรากรกินเปม็นเพาะไฟมันโดนกับไฟทำตามกระแท้งให้ปรากรดถ้าว่าเราจะเนื้อสับเชี่ยวมันจะขึ้นเหล็นจะปล่อยไว้ในที่ว่างเพียงไม่นานเท่าไหร่ไม่ได้เกิดอะการเล่าการเห็นปลากรดข้อนี้มีฉันใดด้านใดเราทำไม่ได้ เมื่อผานไปมันหมดไปคันนี้ก็มีแหล่ง น, น้ำละลายดินเกิดความเหม็นกความเน่าขึ้นมามโสมเด็จพระบรมศาสดาให้พิจารณาหาความเจริ 5, จรงว่าร่างกายของเราทุกส่วนเนียที่เราเห็นว่าสวยว่านามว่าดีว่าสะอาดว่ามีเศษพิษสุ อ, อะไรก็ตามทีแต่ความจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกสรก ไอ้ที่เรามองไม่เห็นว่ามันสกปกมันมีอยู่นิดเดียว น, นั้งกํกลาลาังบางๆหนาไม่ถึงซึ่งเสนมันตกติดเข้าไปแต่ส่วนภายในจริงๆไม่เป็นเรื่องแต่ไม่เป็นจริงใกล้ร่างกายก็ไม่ดีเผาทิ้งได้ถ้าไม่แจ้งก่อนเอ๊จะไปก่อนนะนี่มันไม่ดีจริงๆแบบนี้ เราสำเร็จไปจินตสีเร่งสอนบแนะนำหมาที่จะไปหงหมดถ้าเราเห็นคิดว่าร่างกายของเราก็ดีเพราะว่าคนอื่นคนดีสวยสดงามเราต้องหาความเป็นจริงคนที่ยังมีความสุขได้ต้องเป็นคนที่ยอมรับนับถือความเป็นจริงเรียกว่าเป็นคนฉลาดไม่ใช่คโง่ไอ้คนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมเชื่ออะไรังงต้ออาศัยเหตุอาศัย มีคนโง่เท่นั้นแหละที่ยอมรับกังเฉยๆภาษาไทยเขาบอกอะไรก็ถือว่าจริงไปตามนั้น น, นีของเราไม่ไมยังงั้นไม่ใช่คนบอกยีเรศตันหากปาทานมันบอกเจ้านายใหญ่ยัเจ้านายมันบอกว่านี่ร่างกายคนนั้นน่าสวยถ้ามากระคัดรัครองไวท้ทีมันจะเกิดความสุขเด็ดดีไม่ดีแล้ก็นึวกว่ากายของเราเนี่ยน่าสวย <c oughs> แล้วก็ชมร่างกายของเราแต่ว่าความจริงเราเองเราผู้รู้ร่างกายของเรานี่มันเต็มได้วยความสกสงทั้งภายนอกและภายในท่า น, นี่เห็นไหมคยพูดในตอนแร่ร่างกายของเรามีอะไรส่วนที่เราจะมาถึงวสุกสงศน้่ลายในปากถ้าหากว่ามันเราไม่ยังไม่บวนออกมานี่เราอมไว้เราไม่รังเกียจ ถ้าแมเคยก็ได้ไนนะไดแต่บบมันานได้แน่นะแต่พอบ้นอกมาได้ไมือไม่สะอาดแตนน่น้ำลายไทยทำลายไทยเราเองใช่ย่อยู่ในปากนะเอามาดั้ตัวก็ได้แต่ไมควรจะอยู่แต่จังนะอาหารที่จะกินเขาไปเขาเล็กแล้วเลย ไม่ดีไม่ชอบใจเลยทีเพราะถ่ายมาด้วยกันะไม่เอากันแล้วความจริงไม่น่าจะเปลืองนะไม่น่าจะเปลืงเราเลือกกินแต่ของดีถ่ายมาแล้วก็เจ็บกันใบหิวแล้กินใหม่ไม่เป็นเรื่องนะนี่เป็นเอามาล้างกายของเราถ้าทีจ่จิตนากันตาแล้วมันตกกระจกเราจะได้ถอนตาตอนนี้ยังไม่ตายเนี่ยเรายังมองไม่เค็นเขาไพื่อจะจ้ากันเลยชี้ให้ดู แค่ดูเท่าไหร่ไอ้ร่างกายของเรานี่ยที่เราเห็นว่ามันดีมันมีหนังกำกับตาหุ้มอยู่แล้วก็มีิติเ ข, ข, ข้าระคาบกระครองธาตุสยังสามขีกันหนังกำกาผิวไม่นานักกกลาป็นงาของเราเอไว้แต่ความจริงไอ้ตัวบังตานี่มันก็ไม่ได้บังจริงๆมันหลั่งไหล ม, มาปรากฏทุกนนากก ต็ว่าที่ยังเรายัา ง, งหลงไหลฝ่ายฝังก็เพราะเจ้านายผู้ใหญ่กันสั่ ง, งให้เชือ่อใช่รู้ไหมกิเลสความเศร้าหม อ, องผู้ิตไอ้ตัวกิเลสนี่ยครับเราความโง่ตัวเขามาปิดอารมณ์อของใจงตามธรรมดาใจของคนมีสภาพเป็นทิพแต่ว่าพอมันแปลตัวขึ้นมามันก็ตกหุ้มห่อด้วยความสกปรปกโสคความเศร้ า, าหม อ, ของขเลส อทำให้จิตหลงผิดคิดว่าร่างกายนี่มาาันสะอาดวันนี้ตั้หาความพยายาอยากเมื่อดิเลตมันสอนให้เราคิดว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่วดีสหอาดแต่ความจริงนั้นะะสับสนตั้หามาสนับสนุนแบบจ้องหามาเรามีกายยื่นกายแล้วไปหากายอื่นมาเป็นวกกัน วเวลาจะหาการอื่นก็มาเป็นคู่กันก็เลือกแล้วเลนอีกเลือกแก่ทีดด่ดีที่สุดที่เราจะต้องการแคนี้เมื่อเวลาหามันได้แล้วถ้าต่างคนต่างไข่ต่างตางยหรือต่างคนแล้วไข่ตายไปก่อนไข่ตอนนี้ความจริงมันก็กลายเป็นที่ปกปิดไม่ได้คือความสุกตะกบกรากเอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุกร์ก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาความจริงมันก็ไม่ยาก ความสกปรกทำไมไขให้เราดูกวาแต่ว่าเราไม่คิดมันก็เพราะกิเลสมันก็เครื่องอุ้มหอ่อใถ้าพูดตามภาษาพระเขาบอกมีอวิชชาความโง่ถ้ามาบางใจสิงของสกปรกจกสวามสะอาดเมื่ออคงสุเดชพระบรมโลกันนาสอนให้ตัดอารมณ์ตรงนี้เพื่อให้หาความเป็นจริงถ้าว่าเรารู้จริงเห็นจริงเรื่องหน้าของปัญญา ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นดีเต็มไปด้ความสกขสบแบบนี้เราจะติดเข้าไปัวบพันร่างกายของบุคคลอื่นใดเพื่อปรยู่อะไรแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันคำว่าเราจะปฏิบัติกรรมนั้นหมาถึงว่าปันเป็นแดนสําหรับที่เราเอาศสยเทนั้นเราจะไม่ลหลงไหลไปฝันในโลกกายจยิตสองวน แล้วก็รู้อยู่เสมอว่าร่างกายของเราสุกประกอบร่างกายคนอื่นก็สกปรกมันสุกประกอบไม่สกประกอบเปล่าในที่สุดมันก็พังทลายอย่างผีตายอย่างไรแล้วนี่ยในเมื่อร่างกายเต็มไปด้ความสกประกอสิ่งที่เราต้องการในความจริงเราต้องการความสะอาดเราไม่ต้องการความสกปรก เมื th, você, as as ่อที no país. No país. No país ่ของเราเห็นว่าภาพร่างกายของเราก็ดีร่างกายทั้งหมดคนอื่นดีสุขสุขให้ความรับตามปรารถนาความใคร่ไหนก็หมดไปเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครต้องการความสุขสุขที่นี่มาว่ากันนึ่งว่าเอาสุปกรรมฐานนี่ให้กล่าวโดยกําลังของสมาธิเอาสุปกรรมฐานทั้งหมด ถ้าเราใช้เฉพาะการพิจารณานี่มีสมาธิตรง ไ, ได้แค้อุปจาราสมาธิทำไมตรงได้แค่อุปจาราสมาธิเข้าถึงมัตมมันตมนไม่เได้เพราะว่าอรารมณ์อุปจารสมาธิบัตินารมณ์คิดอันนี้เราต้องคิดคิดตรงหาความจริงเรื่อนาาสัญญา ที่แรกมันก็เป็นสัญญาก่อนความจําเขาบอกมาว่าร่างกายเขาเราไม่ดีร่างกายเขาเราไม่สวยร่างกายคนอื่นไม่ดีร่างกายคนอื่นไม่สวยมันเป็นสัญญาความจําจําไว้เะนั้นแต่ั้าว่าถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปตัวปัญญาไม่เกิดมันเห็นข้อเท็จจริงเองว่าตัวเรามีแต่ตัวสัญญาเรานี่เราเรียนกันมานี้เรียนรสุปกรรมฉัน เพรร่างกายนี้สุกสงบแล้วก็ฟังไว้ร่างกายสุกสงบร่างกายภายในมีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดั้เหลืองน้ำหนองเราก็จำไว้แช่นั้นพอตายแล้วมันเนา่าเราก็จำไว้แช่เน่ามีน้ำเหลืองไหลเราก็จำไว้แช่น้ำเหลืองไหลหแค่จำแค่นี้เ้าเรียกว่าสัญญาถ้ามีความรู้สึกจริงแค่จำต้องถว่าใช้อารไมณ์ได้ไง แต่ยังดีก็ไม่มีความรู้สึกเลยทีนี้การจำแบบนั้นการพิจารณาแบบนั้นในด้านของอุปจารสมาธิการทรงตัวดีไม่พอกำลังของปัญญาเกิดมากไม่ได้เพราะใจกำลังใจมันต่ำนี้องค์พระพุทธโคษาจารย์ก็ดีแม้แต่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าก็ดี เพงได้ทรงแนะนำให้ใช้ฌานเป็นเครื่องช่วยนี่สมมติว่าเราเจะเริงกับสินมาแล้วถ้าเราไม่เจเริงกับสินก็ไม่เป็นไรเมื่อจิตมันยังพิจารณาเห็นไม่ชัดก็ถอยหลังเข้าไปหากระสินทรงอารมณ์ฌานขึ้นให ม, ม่แล้วก็เอาอารมณ์ของกระสินนั่นแหละจับรูปเอาสุกตธรรมฌานคือทราบจบเป็นองค์ฌานเขาทำย่างไร นี่มันทำได้นะแต่ว่าใครก็ถามว่าเอาศุก ม, มานจมานโดยเนื้อแท้แลว้วส่งสมาธิระดับไหนเราก็ต้ตองตอบก็เป็นสองหนนี่ต้องรับทราบไปนะว่าเราใช้พิจารณาตามแบบวาอาสุกเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่สดสวยมดงามอันนี้จะทรงจิตจุดได้เป็นงแค่อุปจาระสมาธิ ถ้าการทรงอยู่แค่อุปจารสมาธิมีเอาดีได้น้อยเพราะอุปจารสมาธิเนี่ยมันตั้งตัวอยู่ได้ไม่นานไม่ช้ามันก็วิ่งหลอง่อแย่ไแล้วกระบาลก็ส่งเข้าไปเพื่ออะไรนั่งพิจารณาร่างกายของเราตัดีนั่งพิจารณาสุข ด, ดีว่านั่งก็ไม่สวยนี่แล้ก็ไม่สวยคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปนาทีไ่ถึง3นาทีเปิดกระบาไปแล้ว มัอยู that, well, ่ที่ไหนควายอยู่ที่ไหนในบ้านใครมันเจ็บข้าวเจ็บของแล้วเปล่านี่เรามาบดท่าอีกหรือว่าเรามานั่งอยู่ในป่านี้ทางบ้านมันสนใจอะไรหรือเปล่านี่มันเปิดกันแล้วพระเจาลสมาธิมันอยู่ไม่นานนะตอนนี้ในเมื่อมันอยู่ไม่นานแล้วใช้ปัญญาไม่ได้ผลที่ั้นองค์สมเด็จพระเดีศกนิยมีวีดีนึงให้ใช้อสุภกรรมฐานเป็นฌานไปด้วย ให้เป็นอารณ์ารกันด้วยเพราะว่าถ้าเราเห็นต้าศพมีสภาพตด ก, ก็ตายตายใหม่ๆมร่างกายยังไม่เปลี่ยนแปลแต่ว่าสิ้งลมปรางมีสภาพเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในตามันไม่ต่างกันนะไอ้คนตายเนี่ยใครจะลากไปว่าที่ไหนใครขยาบศัพท์จะพันยังไงก็ไม่ต่า ต้นไม้มันไม่เถียงชั้นใดมันไม่ดิ้นไม่ร่ชั้นใดเศร้าสติตายแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นแต่ไมความวามันก็ยอมใครก็ทําทอะไรสุดยอดก็คิดว่านี่ถ้ะหาว่าเขายังมีลมให้ใจอยู่นี่ทําแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ร่างกายมันจะต้องสู้เข้าใจมันสู้กพรความรู้สึกของประสาทอา ศ, า ศ, า ศ, าศาัยใจเป็นสำคัญมันจะต้องต่อสู้ดินน้นร่นหรือเวิ่ง น, หนีหนีไปนคนไข้ แต่ถ้าว่าที่ร่างกายอันนี้มีสภาพมันท่อนไม้ไม่ดิ้นรนไปไหนก็เพราะว่าจิตใจที่กำลังเสิงอยู่ในร่างกายนี้ออกไปแล้วนี่ที่ผมไม่เรียกว่าวิญญาณไอ้คำว่าวิญญาณในความจริงมันประสาทพระท่านพูดบวกแล้วไปแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครจิตกำลังศาสตร์ที่เปงคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันประสาทที่เป็นประเภทรับรู้ที่มาติดมากับร่างกาย ตอนนี้พอตายแล้วจิตมันออกไปประสาทและสมบัตมมิรู้สึกเพราะจิตที่รับรู้มันไม่มีไอ้ตัวที่ออกไปจากร่างกายก็คือจิตซรือที่เราเรียกกันว่าอจาิตสำนึกกายคือกายที่มาถิงอยู่ในกายเนื้อเราเรียกว่ากายคิดมันก็ไม่ัูกถ้าเรามีคุณธรรมเป็นกุบดาก็ไม่เรีกว่ากายคิดได้ถ้าเรามีความชั่วเป็นสัต์รูโลกกงนี้เรียกว่ากายคิดไม่ได้ ต้องเรียกว่าทิสมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นได้โดยการดเนื้อฮันออกไปสันแล้วมันก็เกิดไม่เกิดความรูม้สึกแล้วก็มองดูเออไอจานีมีสภาพมันทอนไม้แล้วมันเปียนหน้าทิศสำหรับการเห็นร่างกายมันทอนไม้นี่เรื่องปรากฏตาอยู่คราวหนึ่งในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ <c oughs> ในสมยัยนั้นมีพระองค์เง ความพระองคีเป็ น, ปนกษัตริย์ท่านก็มาบวชในพระพุทธศาสนาวั น, นรรไไห น, น, รรนะ น, นึ่งมีงานนักรเตลกไปในเมืองจัดงานนักการเตลึกมาจดิงไงเอ๊ะเป็เรื่อไงงานนี้ก็แก้ผ่าเป็นระดมเงนะินมั้งนักการเลึกคือไต้องเลิกขึ้น งยงไงเดีวางานเรื่อนเรืงนะเป็นงานเรื่อนเรองประจำปีรประจำฤดูกาล <c oughs> นี่พระอนั้นท่เป็นกษัตริย์ให้ทารนะในสมัยที่ใครเป็นกษัตริย์อยู่ทนะางานประเภทนี้กษัตริย์ก็ต้องเด็บได้กระดูแสงไฟไฟในเมืองดูคนที่ก็เดินแต่งตัวไปมาพอดีได้ได้ <c oughs> ยินเสียงหัว ร, ร, ระโศกท่านก็เลยมาพิจารณาว่าคือ นี่ถ้าเรายังเป็นกัลั์อยู่ <c oughs> <c oughs> เวลานี้เขาต้องเชิญเราเป็นประธานแต่ว่าเวลานี้เราเองนะ่มีสภาพกระท่อนไม้ที่วัดงน้นในป่าซึ่งไม่มีความไม่มีความหมายอะไรคนที่เคยสนใจก็มาเลิกสนใจไปแล้วแต่ว่าคนทั้งหลายที่เดินเข้าไปในในงานมรดกนี้ เขาจะส่งความดีเขาจะส่งความรุ่นเริงและตลอดการตลอดสมัยได้ยังไงเพราะในไม่ชาเนี่ยเขาตายมันคิดว่าอย่างนั้นนะเไงท่านเป็นกษัตริย์แต่วาความจรงิงถ้าไม่ได้ทวงความดีเี่ยเขาไอคนนี้เขาเคยเคารพกับผือท่านในฐานะที่เป็นกษัตริย์เวลานี้เขาไม่สนใจท่ า, านไม่ได้ทวง <c oughs> ไม่ใด้ไปเก็บใจไปฆ่าคนแต่ก็คิดแต่เพียงว่าเวลานี้นะ่าร่าเงใจเหมือนถ้าถอนไม้สีเขาทิ้งไม่ได้ป่า ความเรื่นเรืองอะไรมันก็ไม่มีถามว่าเราจะไปแสดงความเรื่นเรืองกับเขาในสมัยนี้แล้วต่อไปคนทั้งหลายที่เกิดมาก่อนเราเคยแสดงคามเรื่นเรืองแบบนี้ก็ตายกันหมดแล้ว <c oughs> มันประโยชน์ในการในงานมโรสถที่ในงานเรื่นเริองอันนี้ไม่มีประโยชน์ <c oughs> มันมีแต่เพ่อเกิดสร้างความทุกข์ให้ปรากฏใหมาอย่างไรรู้ไหตามพระบาลี อีกรือง่วายังกายโยปทวิญญาณเสตติมนาว่า ย, ยนี้ย น, ะนะนีตัวเนี่ยเขาบัตรคุณตัวเองนะพระองค์ น, นันนังคุณตัวเองคือตเป่คุณายถ้ายนพันยายบบนั้นไ้าเกงน้นาเป็นฟ้า่ดวงดาวทาั้งหลายที่เราเห็นอยู่เวลานี้ นี่เราจะเห็นอยู่ได้นานเท่าไรชีพของเราก็จะสิ้นไปเราก็จะไปเห็นดวงดาวแสงไฟภายในเมืองเราก็จุดอรรลัมไปงานมรดกนี่ไม่ใช้เราก็จะไม่ได้เห็นต้อ อ, รร อ, <c oughs> ะอะไรเพราะความจริงของชีวิตร่างกายที่เต็มไปด้วยสุขภพอย่างนี้ไม่ช้ก็สิ้นชีเมื่อสิ้นลมปราณเมื่อไรเราก็จะไม่เห็นแต่นั่งหลายเรามีเหมือนกัน ท่้คิดเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านเป็นสารไม่ ย, กยากยากนะไม่ใรือเออตอบงนะั้นถูกนะตอบงั้นถูกของท่านไม่ยากแต่เพราะท่านคิดเพียงเร่านี้เมื <c oughs> ่า่างกายของเานี้เหมือนกับอดไม้ที่จะทิ้งมาในปาก็าคุณตายคุณตายก็มีสภาพแบบนั้นใชม่มีสภาพแบบทอดไม้ แล้วมันไม่มีดีอะไรเลยในมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไอ้สารคดีต่างๆที่เราเห็นอยู่เวลานี้มันช้าเราจะมาได้เห็การที่ไม่ไเห็นแบบนี้มันไม่ได้เห็นมันแล้วหลายหลายแสนมาระเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทดเกิดมาอะไรมีทุกข์มานั้นท่านเลยเป็นบาระมันยากเลยนะแล้นี้มีพายของ นสมัยพระพุทธเจ้าอยู่หมกันแต่พรอนี้เกกว่านี้เกเ่งกว่าเยอะที่เก่งกว่าก็อะไรเพรวในสมัยนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่พระองค์นี้อยู่ในสนัคของพระพุทธเจ้าเยวันหนึ่งท่านตามพระพุทธเจ้าไปไปรับบินฑบาตไบิณฑบาตตอนเช้าละระวังนะพกคุณนระวังจะไปโดนแบบพระองคนี้เข ให้ตัวอย่างมันมีเยอะนะั่ดีว่าอยู่กับพระเจ้านะถ้าอยู่กับผมนั้นลงนรกเสร็จผมไม่ได้ชั่งให้ลงนรกใจ ล, ลงแค่เองผมโทษไม่ได้ที่นะวันนั้นบังเอิญนางชิริมาน้องสาวหมออชีวะกวามารมวรลพัฒใส่าบาทคุณตั้งชื่อ น, นางชิริมาชิริมาชิดีที่เรามีกันนะ เขาเชืเป็นคนสวยที่สุดเนี่ยแบนั้น <c oughs> แล้วว่าในฐานะของแกเขาเรียกว่านะักภระโสเภณีเป็นหญิงโสเภนีแหญิงโสเภนีนี่ถ้าแปรแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าเสียดก็แลปลว่าหญิงผู้ทำพระนครให้งามนักระโสภโสเภณีโสเภณีโสภณีนี่เราแลปลว่าสวย นคร น, นักข่าวตัวทำคนหน้าแเสนามคมรวมเมืองแล้วหญิงที่ทำเมืองให้งานนี่ความจริงคนที่ขายตัวกินเนี่ยไม่ใช่คนชั่วนะเป็นคนดีแค่คนบารงคนเป็นคนชั่วถ้ามันด้ขโมยใครมาขายงูคุณจะรีขโมยร่างกายมาขายใช่ไหมคุณจะไปประนามไม่ได้เนี่ไปดูดิคนที่ขายเขาขายตัวกินเนี่ย เขาเคยไปรักกระบ้บางไหมเขาเคยไปฆ่าตัดชีวิตไหมฆ่าชีวิตที่เนื่ยถ้าหาว่าเาหาิยสิย <c oughs> เป็นท่นหาเขาไม่ละเมิดแต่ว่าเขาเป็นคนเลวองีสัพสา บ, บนัานละี้ขีวานัครสิงผูยำพนัรต <c oughs> ทไนจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตัดความบ้ารของผู้ชายไปใหญ่ <c oughs> อันนี้พระองค์นั่งใจเห็นนางิริมาแกสวยรับบาดนางคดิมาแล้วมองหน้าแกมองตัวสวดไปฟังสวดส่งต่างๆมันดีสวยทุกอย่างดันไปรักนางคริมาทำไมเจ็บระวังพวบคุณไปวินาศาดเจ็บกันนะจะไปหากินแบบนี้เขลงแล้วรบไม่รบกันเลรับเรา วันนี้แกกลับมานี่แกรักจริงๆอะรักอย่างแท้เลยผมยังเลื่อมใสปฏิปทาของแกลับมาแล้วเราสจิตทีนรักนางสริ ม, มาแก เ, เลยไม่กินข้าวมกนปาข้าว น, ะนั่นแกไม่ยอมกินเรนนอนฝึนอนในจิตนิ 40, นุงนางริ ม, มาอยู่ตลอดเวลา่ก็มีาหากินแบบนี้ไมนัฮนะ <laughs> อาจารย์นีจะไม่ได้อาจารย์นี้ไปอ่าแล้วมรอออก ก็อะไรนี่แต่ตองยางเมื่อแกไม่ไม ว, ว่าจะไม่ันข้าวพวันนั้น็วั น, นี้แกไม่กินเลยไม่กินนอนไม่ออกจะห้องนอนไม่ถึงนางศรีมาตลอดเวลามีแฟนเน่าหญิงโสเณีงก็่จะเหมืนนะแต่มีระดับแควาวแต่ว่าเามวาจะพ่อรับแขกเมืองนางศรีมาสวยมาก แล่คนที่จะเอาแกไปร่วมรักด้วยเขาคิดหนึ่งพันจะหาบัตรสมัยนั้นเค่ละสี่0บาท 4,000 บาทสมัย 4, 4, นี้ไาางทเท น, <c oughs> นี่ยเวราค้าดินแดนนี้ตอนนี้ดูว่าที่วันนั้นที่มาใส่บยตรเท่านั้นแล้วในวันนั้นนาโกตที่เป็นตลาดเชื่มมาเป็นลาิงไปไอ้เรื่องมาทุกสมัรื่องมันตาๆกันนะ <c oughs> มนาคิมาจะก็ตาพระพุทธเจ้าทรงทราบเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัโยคเรื่องที่ะพระพุทธเจ้าจะไม่รู้นั่นมัก็องทรงรแ่ว่ใให้เวลาการผ่านไปงวันเวลาไปการผ่านไปไม่กี่มันถสวันรปาสดพราสดก็นาคิดมาคิ ขณะที่นางสิมาตายพระเจ้าเกษมไม่พทโคตรผลเอ่อไม่มาเสด็จเกษไม่ใช่พระเจ้าอะไรไะ่ทรงตรงไม่ใทรงจะเปกษัตริย์คงมจะเือพระราชาก็ทรงสัตวคุณให้พระพุทเจ้าทรงทราว่าเวลานี้พรนางสิมาตายไปแล้วต like ้องทำยังไงจะปลดให้ทำยังไงพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเจ็บศพไว้ก่อนอย่าข ยาไปทำอะไรประก็บลอยทีย่งนั้นจนกว่าจะถัสคุตาถาอเกิญสักดิ์าองค์ก็ทรงเก็บสุบไว้เเก็บไว้แล้วส3สามวันเขาศบขึ้นอีกรองก็ทรงตัดจัมบาชาว่าวันนี้ถ า, า, า, า, า, า, าก็อเจริเยี่ยมศพทนาบีมาก็มอพระเจ้าวินิจทราบประจักการศพเป็นดีให้ตั้งอะไรทีโลงพระุทะทั้งหมดจะไปด้วย แล้าาเอื่นอื่นทุกองารู้แล้วว่านาสมาตายแต่มีพระองค์นั้นองค์เดียวไม่รู้ว่านาสีมาตายมแมันมอ น, นอนนงเงอยู่ไม่กินข้าวมไม่กินปาออไม่คยใครเน่เพราะรักคนน <c oughs> คี้แแรกเนี่ก็พระพุทธเจ้ากังสัระอน่าเวลานี้ เ, เราจะไปเยี่ยมนาสมาถ้าไม่บอกก็จะไม่เยี่ยมย จ, ยจยบเลงนนนน ไ้บอกพระทั้งหมดว่าเราจะไปเยี่ยมนางดีมาใครจะไปคาราก็ให้ไปได้ด้านนก็บอกพอบอกเสร็จ้วนั้นพอได้ยินข่าวว่าพระพจ้าจะไปเยี่ยมนางมามัมีรข้าปาในบาตที่บูวันนี่ล้างนีมาพแต่งตัวสวยเต็มที่พระเยแค่ไหนหด พอแต่งตัวเสร็จก็พระเจ้าก็จนระเด็ดไปก็ประเดเดไปถแล้วก็เอาศพมาดูวดศพมัดูเพราว่าพระเจ้าเราพอยู่ี่นาจิริมาเนี่ยเป็นหญิงที่สวยที่สุกในรงรา้เดเป็นหมาเนีตนเวลานี้เธตายไปแล้วไปดูที่ความสวยไม่มีอะู่ตรงไหนบ้าดพระทุกองค์ทำไมต้องดูขนาดที่รู้แล้วไม่สวยไงพระจ้าประดิษฐานค้รามาหลายคน รายไหมก็ลายมาในทิศอื่นก็ลายแต่เข้านั้นหห็งเข้าว่เกิดเกิด ท, ที่ภา ย, ยาทให้คิดในใจว่าเออเมื่อวันเที่นิ น, นาสีมานใจบัดเพื่อเราแล้วเวลาไม่วันแล้วนานมีรูปร่ามหน้าตาสาวสวยงดงานมากแต่ว่าเวลานี้ใหยอะไรไม่ไดแล้วของอื่นในทิศที่วันเดียวไหลาออกจากปาก ก็เลยคิดในใจว่าร่างกายทุกคนนีมันเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเลยทรเว่าร่างกายทุคนนี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อหายความดีเลยไนดะ้ไอ้สิ่งทงหลายที่มันกลายเปเวลานี้แหลความจริงไม่ได้มาจากที่อื่นมันอยู่ในร่างกายขงเรนเอนายิมามันเป็นคนนตวจำครู้าแกะซื้มาหาแน่นแต่ถ้าว่าเวลานี้านายิมาหมดแล้วตามส แม้แต่ร่างกาส่วนใดส่วนหนึ่งคนทั้งหลายที่ปรารถนาจะแตะต้องก็ไม่ไดเป็นองค์สมเจพระจสีเกเรสังแหราชาณัรว่าเวลานี้นาคธิมานก็คนนาคธิมาเนี่ยเมื่อจะไม่ก่อนใครต้องการามาจะไมาเปิดคลองแค น, น่ก็ต้องเสียคันกรหาระนะวันนี้ใครต้องการบั่งยกให้เลยเอาเงินทางนนาะนะ ไม่มีใเอยกให้เลยไม่ใช่วันเดียวเอาไปเลยเอาพันาาบาทแตเท่าก่ันบาทไดหาคนต้องการ ไ, ได้นี่พระพุทเจ้าทำให้ลดลงมาลดลงมาลมาจนกั่งไม่เาตังเลยว่าใครต้องการนาสิมาบ้างยกให้ไปองเลยหาคนไมได้่เอาเอาแมวใ ห, ห ม, วม่พเจ้าีนนเลย กาสั่งเจ้าวิายมาเอาใหม่ว่าใครต้องการร่างกายผูนางคดีมามากเราจะแถมเงินให้พันจะหาไมานี่ไม่เอาก็ะาแถมให้แถมก็ไม่มีคนเอ า, อ า, าแล้วกพระพุทธเจ้าก็จะเทศโดดว่าเนี่ยร่างกายผู้คนมันไม่มีประโยชน์แบบ น, นี้ดังนัคนเราถ้าจะต้องการความดีคือความสุขใจ ว่ายใช้ปัญญาพินารณาหาวารตามาเป็นรี่ร่างกายของผู้ชายก็ดีของหญิงก็ดีและของสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันเต็มไปด้วยความสมบูรณเต็มด้วยความสมโครที่เรามีความต้องการในร่างกายของบุคคลในสัก์ทั้งหลายก็เพราะว่าอำนาจที่เรนือปัญหาสข้ามาบังคับตั้นฉากเป็นตัวต้นตรหรือว่าไอ้ความโง่มันเป็นตัวบางเป็นปัญหา พระองค์นั้นเราฟังองคนน์สมเด็จพระพุทธมัยกล่าวอย่างนี้ก็เป็ น, าานพระ้าอย่างนั้นนี่ท่านอยู่กับพระพุทธเจ้านะท่านอยู่กับผมนะอยู่นะรไงผมก็ไม่บอกแบบนะั้น่บอกพระพุทธเจ้าไม่เนี่ท่านเียกับพระพุทธเจ้าแล้วนะว่าจะถามว่าทาไมพระพุทธเจ้ารวบพระในคณของเร า, อ ง, าองค์รับผู้หญิงคนหนึ่งบัญญัตาาสสิกรทำไมไทรงชัเลย ตอนนีราก็ทราบว่าพระูรเจ้าทรงปนยาว่าัพโยีแว่ารู้ทั้งหมดรู้ทุกอย่างในความเีย a เรียกพระอนั้นมาเจอในวันตก็รชไาว่รูกนาคมนั้นใจก็ควรจะสดจัดตามรักตีนั้นแล้วจะเป็นนานัตตนนี่องเ็จรทราบแบบนี้นะ ไม่ว <cat> pues <en gl> <hill> ่าเรื่องเรื่องร่างกายพวกเราม่นดีร่างกายของคนอื่นมันดีอันนี้ต้องคิดเรื่เวลาที่เราต้องลำบากมานั่งเกิดที่เวลาเนี้ยมันนังฟังพู่ในเวลานี้อดลมก็ไม่มเลยกคุณระดอนก้อนนัเลยกอนอะไรกอนุกันดุันดุันดุันโอ้ ก็เด so so ี hey, sound sound> ๋ยว r ุ๊กเป a นตุ๊กตุ๊กต a บตุ๊กจะเชื่อเธอด้ฮะรู้กล่ว่ากนี้มาจ้อนนานรู้ไหมก่อเกิดอ่ะกอนเดรู้ก๊บแต่มันไม่รู้นนี่ก็จริงๆไอ้ก่อนเกิดเราไม่ได้คิดนะ การคิดระลอกนี่มันเป็นพวกเราทำไมมากเกิดอ้ที่เรามาเกิดทำมมเกิดต้องฝังหูแต่มองเหนความจริงเกิดมาแล้วนี่เป็นโม่เนีเรืนะ่องไห <c oughs> เกิดมาแล้วนี่มันร้อนมาจีจีแล้วหนาวมาจีบจีแล้วเย็น ม, มาจีบจีแล้ววดเมืดมาจีบจีแล้วทุ่มว่เราไม่ไปสนใจมาจีบจีวเร า, าก็ยังไม่คิดแต่เพื่อเราไม่คิดแบบนี้ก็มาฝืนรนะแกไม่เสียหัง พระบรมมันหมุนแล้วมันเลเนอะเหมนจ้มเราตรานนงนี้ครับมีถ้าขาดไปดับไปร่างกายแล้มยพรมีนะถ้าใดท่านงมาุไปร่างกายวสมับรมมีชีวิตของเราพระบรมของเราไมนตาับเรนกว่าเราตายมไรจะเรียนรู้ไม่ตายรเล่าหรว่าจะต้องเป็นคนทีน่ขา ไ, ไ, ไม่รู้ ไม่เคยทิดจะเป็นในคนเหมือนส่วนนั้นนะที่มันแ น, นะน่ๆนะทีวี้พวกเราจะเป็นแบบนี้ไหมครันเพราะก่อนที่จาตายเอยเราก็งเป็นบริการตัวตกแล้วก็เมามาในาความสุขตอนนี้เวลาใจเราสุพธ ร, รัมฐานผมบอกแล้วว่าสุพธรรมั้นใช้เวลาได้สองอย่างคือว่าเที่ยวปัจจารสมาธิก็ได้ทำดีทางได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ทางเดินทางกัน ถ้าเราไม่ทำเป็นทายแล้วอารมณ์ที่ทายอย่างนั้นไม่โดนมาเมื่อกี้เราเห็นๆแล้วว่าผ่านไปแล้วกันเลยมไม่รอที่ไปทธายเอาสุขสมาทานเป็นทายที่ต้องเรียกมาเยี่ยมบ่อยท่าถ้าประเทศนี้ต้องจึงการเยี่ยมบ่อยท่าถ้าจึงเยี่ยม่อย า, ามนเนื่ออยลำบากอะไรใ้ังโน้นจอทาน่านานีี่ไม่มีรันไปรักหน่อไม้เขาจะป ไม่เป <c oughs> ็นไงไม่ได so, ้การเยี or, ่ยมบ่ยาทเยี่ยมศพตนเอถ้าเรเียกปรป่ายาการการเยี่ยมศพเวลาดูศพเยกนแบบนี้นะเราจะไม่ยืนเหนือลม้เราก็จะไม่ยืนใต้ลมถ้ายืนใต้ลมจะเหม็นกนมากเราจะเป็นลถ้ายืนทนด้านเหนือลมจริงๆท่นตรายเสีย เระว่าบรรดาทราะ์กายทั้งหลายมัเข้ามาจิ้มศพมัเข้าเนือลมน่าจะทําได้คายตอนนี้เวลาเยนเยี่ยมศพที่จรณาศพเขายิงจิ้มศ้ทางด้าเนือลมจะฉีอปน่พราะีจิ้ก็ไม่เข้าจูกเราพพิจารณาวศพว่าศพนี้สมัยก่อนร่างกายมันจะเป็นไติว่าสภาพร่างกายจะมาเนาแต่ถ้าว่าเวลานี้ทราบศพนี้เน่าเพราะอะไร แล้วว่าขึ้นลมปางค์่อคาดลมหมดไปภาพท้องไปหมดไปมันก็น่ามันก็เแตกมีร่างกายทีเราเป็นแบบนี้แล้วก็จาภาพนั้นวาท่านดีจภาพเพื่อิดตาและกลับมาที่นั่งแล้วก็กลับมาที่นอนมันจะถึงภาพนั้นตลอดเวลาว่าร่างกายของบุกคนที่เราเห็นนภาพและเน้าคลองขึ้นเนนล้ยงหลร่างกายของเรามาอขึ้นอมกรางแล้วก็มีสภาพเป็นาง วันนี้ถมว่าเราจะมองดูนอื่นใคเ็เข้าเราก็มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเห็นคนเดินไปเดินมาแต่งตัวสวยจะเป็นผู้หญงเราตารจะรป็นู้เราตามผ้าตานองอาจมาธิแบบไหนก็าว่าในนี่นานี้ไม่ค้ากัก็จบแบบมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับรางกยนี่ถ้าเห็นเจนนาแบบนี้นเห็นคนเดินไปเดินมาก็าลายกอยู่คนหน้า เหนตัวเราเราคนหน้าที่มั่าเรานว่าที่ว่าพิจารณาสัตว์อม่หาว่พิจารณาสดตว์กระโดกระโดงที่มันเรียรายไปเพราะว่ามีกระโดกตรงกายอยู่ก็ตามใามมกระโดกติดต่ออยู่ต้องบอก็ดีไม่ว่าโด่งเป็นท่อนยานวาตามีพิจารณาว่าร่างกายของเาเนียมีแกระดงแบบนี้มีสภาพเหมนกระโดงหายไปเสียสตตามารื ไอ้กระดูกคนแล้วามันทรงตั้งตัวมองนาตัวหน้าตวหน้าตัหน้าเกศนะนี่ว่ามันอยู่ในกายเราก็มันมหน้าเก็แตรดทมมันาเไอ้ร่างกายเป็นสิที่เต็มไปในเนื้อนหนังก็มัน่ันเราเ่มันเกิดจิแต่ความจริงร่างกายที่จะมากระดูกนมีการหน้าเในสภาพนั้นแล้ะดูที่เราเหนนี่เราก็ได้กลาสอนทำแบบนี้นดีสอนอิจารณากระดูก ก็ห้ามจับกระด้าไม่จับข้าจบไม่ได้แล้วเยลาประชาชนเขาจะเชื่องโยเข้นมาแล้วไม่กนไปดิัๆแม้จะกระดูแ้งมาแล้วเขาก็ห้ามจับถ้าจับเขาตอนนี้กลายเป็นเป็นของไม่น่าเกลียดถึร้อนชิไปาทำไม่เกลียดาพในร่างกายเรื <oon> ่อตาต้องเกดถ้าไม่กยดแล้วไม่เกิดสิ่งนี้พายาไม่มีความเลย ในเวลาที่กจรณากระกอ่สมมติว่าเราหน้่เไปไปเห็นกระจกข้าวนนอนมันนอนนัดเดินไปมันนั่งสมานอนบางทียืนยืนแล้วเดินไปตาม่ทำาธิรามแค่นีคนี้ใครกลายเป็นซาตสดหรกลายเป็นเอดสมมติสมมติเวลาทำจิตเป็นสมาธิให้เกิดเป็นทานอาจาภาพสดมันได้แล้วมันนั่งับจักอรมนสมาธิแงภาพสดมัน ภาพจบแล้วมันจะปรากฏขึ้นอันแรกมันจะมองเห็นต่างกับภาพเลยก็จิตใจปริภาคนี้แล้วก็คุยกันใหญ่ๆมองโตมากกว่าที่เป็ตัวบางทีมันก็จะมีอาการแสดงการหลอนอะไรทั้งัมันโตขึ้นมาโตมาที่ใดเลยหรืาพเป็นภาพมาเลยความจริงแล้วไม่อยู่ที่นแต่มันอยที่ที่องเรานั่งอยู่ที่ที่ของเราที่จะศพนั่นแหละปรากฏเป็นภาพ ดีน anyway, like oh, <laughs> really ีนะเราฝึกการมรางเมืนเมนอมีกาย่้ครับเราาบรนั่นาอบอามณ์ไม่ดีหลอกนะแล้วคุณจะดีหน้าโทไม่เจอคบไม่เอาเนี่ยนี่ไม่ดีสติอะไรเลยี่เรองเพื่อออการ อันนี้ถ้าเป็นอย่างนันใราบเทวาขอเาตอบมบอกไอ้ีน่มันไม่เข้าม่งเราท่งแบบนั้นก็ต้องเวดาเทวา่ใ่อริยมรราเรานี่เียกอยู่นะหรือว่าเรายังตัวตกูถ้าเรายังไม่เสียตบคอเรยตัวตกูราก็ทไม่าันตกก็ไปตกราวเราก็ปดเรืออะธรรมดาเราโดนข้าวมั้ง ต้องทำใจตัดเพรกสนี้ออกไปเราไม่สำคัญไ้เธอกับเราก็มีความแน่วเหมือนกันเลยี้จิต่อยเป็นนิจญาญาจริงๆให้คนก็ดีให้สัจจะดีถึงนี้ก็ตามโสก็ตามที่บิาคปะธานเห็นตามความเป็นจริงว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ฆ่าเป็นสดแต่เวลานี้จะมีสภาพขอกสดเป็นได้เพราะอะไรพรเลยถึ้หลังเขาไปไม่มีอะไร หาไรที่สะอาดถหาอะไรที่น่ารักน่าดู น, น่าชมมันเป็นสิ่ต่อสบประการทั้งปวงมีว่าจะเชื่อรองพระสุตตัทฐานตันนี้รองพระสุมัทฐานถ้าเราพิจารณาทิศ น, น, นสิ่มันจะมีผลย่งไรบ้างเื่อการบวชเข้ามในพระพุทธศาสนาขเราที่อการอย่างเดียวคือความหลับไหลเยื่เชือ อะไรักเราักเพื่อกรดิเลตหลักไมื่อแกหลักไมใช่เราต้องการสิเลตดักคือความบักโดยมีเชี่ยเพื่อสิเลตามคขอความเป็นทาเลานิสมะแกตัดไม่เอาเเป็นกล่าวว่ามุขานักบวจะปิบัิยะเอังาวันเทววาเราขอรับรักษาการาวักเพื่อทำเจ่เน่นนค เนยังแบี้เาอรียกตามแต่นักปรัชญาใหม่นี่เป็นนักเรดนะครับท <pad> ุนอะรนชอบเป็นเทราทุนไทนี่ความมุ่งหมายก็คือเราบวชเพื่อท้แก่เนทุไที่าเราจะเรีนรูปสกรรมฐานถ้าเราเข้าทุนผานจริงอารมณจิตจะเห็นว่าร่างกายกระจกกระจกเป็นของนาเกียโไม่รักายขอเราและกายน มันยังเกิดเป็นนิสิตายานในด้านนิสสัญายานที่แรกราว่สมถะนี่ทีแรกจริงมองสวกนี้เป็นสมถะที่จะน่าว่าสุขใต้หรือไม่นี่เป็นสมาะแต่ตัวสมถะตัวนี้ไมิ่อวันก็ไปหาหาวิสสัญายาเองเราไม่ต้องสร้างสมาหลานี่มีปางที่สำ ไม่รู้ว่าจบเน่าจบหม็นไม่น่ารักไม่น่าเรียแบบนี้แล้มาเข้าจิตันจุดจุดทางไหนนร่างกายไม่ีร่างกายเราก็ไม่ดีเรืองร่างกายบุคคลก็มเกิดเรืองไม่ไม่น่ารักน่าคมต่อไหนเรื่องอะไรที่อาจจะมาหลงไหลไปกับร่างกายที่ีนร่างกายพวเรามีความเกิดขึ้นในื่อนสนมีความเสื่อไปและวามสลายในที่เมื่อความสลายสลายห เมื่อความสี้ายปลากบมีมาเมื่อไรก็กรายเ็เสียงเสถียองไหลในกลังหลรมาณปมีนี่ร่างกายของเราทุกคนเราทั้งหมดนี้มาเจตัวนี้เองความเบื่อหนายปาตบเป็นวิปัสนาญาช็อตเมื่อร่างกายเมื่อวิปัสน า, นาันปลากบเป็นดั้งเป็นดั้งนี่คือตายญาณและต่อไปต่มาคั้นขากวเกลียดขายางายกระจาเพราะเราเบื่อทั้งหมดแล้วเบื่อทั้งกายเราแล้วก็เบื่อทั้งสายคนนี้ มันเบื่อหมดห้าความสวยไม่ได้้าความดีไม่ได้้าความสะอาดไม่ได้แล้วต้องการอะไรใหมความต้องการในร่างกายมันก็ไม่ีจิตมันก็เฉยความยืดหยุ่นประสงค์ในร่างกายเราร่างกายกบบคนนไม่มีก็เป็นการวางเฉยวางเฉยจะมีเเรียกว่าแสงขาวโลเกตขหนก็เข้ า, า, า, าถึงแสขารโลกเกทขาญาณธาตุมันสรงอยู่ ถ้าจิตมันก็หมุนไปหมุนมาในระวันม่อไรายเี้ยนเป็นลน้ตาไม่จ่งกัไอตัวนี้เองกฎธรรมดาจะปรากฏอารมณ์นี่นี้ว่าคนนก็ดีต่ก็ดีถ้าเกิดมาแล้วไม่ต้องมีเตนาว่าควมจะประสสมมแบนี้แล้วก็ไม่มีการทรงตัวอยู่ทสุก็ตายตายล้กนนีม่เห็นว่าเป็นธรรมดา เมื่อตัวธรรมดาพรายกล้วก็เลยคิดสอไปถ้าตัวธรรมดามาเข้มาแล้วมันไปเลยนะมันไปเลยเพราะว่าถ้าเราเกิดเกิดอย่างนี้สอบไปอีกความทุกข์ก็จะรายหมดไปเราก็จะพบกับความน่าทุกข์ชาติทุกชาติมีอะไรเดือดอะไรโอ้สมแด็จพระจอมไกรล่าวว่าถ้าเราไม่เกิดขึนอะไรเราก็เลยพบกับความน่าพบกับความทุกข์ที่เราจะต้องการไปนนเราเจอคนตายที่มันไปเลย เป็นอันแบบคนพรคนีชาบ้านคนดีเรียกว่าพะโยธาไวชนทั้หดคนที่เจริญพระธรรมฐานพระพุทธเจ้าไม่หลังพระรอว่าเป็นพระโยธาไปชนก็บรรจัดกันได้ทุกคามดี้งหมดนี้ถ้าเจริญเราถูกพระรมทานแล้วไม่ต้อจะปไหน้วถ้าเราต้องตารสุขทางพุทเถรโปเดินสายเดียวเลยมันจะมีอารมเข้าเจ็บระดับแรกท่สุดมี่จะทบหนักก็คือ ท้าอนาคาทํทำไมผมงวัเองทำไมที่แม่บอกจะต้องเป็นประสงค์นาทีขาดขาควความอนจีเป็นปรนางคยนาท่ขาดขาดมันต่างก็ตงวิ่งมาเร็วสเพรเข้าคิดเข้าสู่โพธิภูมิานะเห็นไหมโลกเป็นทุกโลกแกไม่ได้ฟังทุกรุกสมบัติของเราที่เกิดตัวสืร่ายกายทุกทุกแบบนี้หาไฟดีอะไร เล่ยจิตใจที่มีความต้องการในร่างกายพวงเรามนะั mm hmm. นเกดแล้วเมื่อความต้องการร่างกายเราไม่มีแล้วเราจะต้องการร่างกายวัตถุไม่มีเรารักตัวเราเองมากที่สุดที่านี่อ <c oughs> ารมณตัวนี้เป็นอ า, า, า, ารมณ์ mm hmm. นะตัดอะไรกรรมอะคะเห็มเมื่อตัดรนี่ยาคะเจริญมก็ตัดการ ม, มารายคือความความปรารถนาในต่า เมื่อเรไม่เข้าสู่ความเป็นสากลแล้วสุดาจะเป็นการขาทดาทนเลย